เอาละเดี๋ยวเรานั่งสงบระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนาะโดยเฉพาะระลึกถึงพระพุทธคุณที่พระบรมศา ส, สดาทรงบ่งเพญมาเจริญพุทธานุสติโดยการคิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพุทธานุสติก็คือมี ส, สติในการน้อมระลึกถึง พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระปัญญาญาณอย่างเห็นในการแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสีประการพระบริสุทธทิ์คุณในกระบวสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีราคะความกำหนัดไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความหลงไม่มีมานะความเยื่องยิงถือตัวไม่มีทิฏฐิความเห็นผิด ไม่มีความละอายต่อบาปความเกรงความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่มีอุทตจักคือความพุ่งซ่านเป็นต้นในกระแสขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีกายยตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปไม่ติดขัด กายกรรมก็มีพยานนําหน้าวจีกรรมก็มีพยานนําหน้ามนโนกรรมก็มีพยานนําหน้าพระบรมศาสดานั้นระลึกไปในอดีตก็ไม่ติดขัดไปในอนาคตไปในปัจจุบันพระบรมศาสดานั้นมีชันทะความพระความปรารถนาดีไม่เสื่อมถอยมีความเพียรไม่เสื่อม มีพระธรรมเทศนาที่ไม่เสื่อมมีปัญญาที่ไม่เสื่อมมีสมาธิที่ไม่เสื่อมมีความหลุดพ้นที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคจ้ามีพระพุทธคุณอันหาประมาณม่ได้พิจารณาถึงพระเจ้ามีพระทานบาบรมี เศบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะคติสัจจะอธิฐานเมตตาและเบคาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวน้อมเอาเครื่องสักการะทั้งหลายที่มีอยู่ในบริเวณเหล่านี้ถาวายบูชาพระธานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งถวายอัตภาพคือกระแสชีวิตนี้บูชาพระธานบารมีศีลในธรรมปัญญาจนถึงเวขาบารมีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาอย่างยาวนานด้วยความตั้งมัน่นโดยเจตจำนงโดยความจงใจตั้งใจด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นด้วยปัญญาที่รู้และเข้าใจในพระคุณในครั้งนี้ ที่ถวายสกาละภายนอกและอัตภาพก่าวคือขันห้าที่ข้าพเจ้ารักและหวงแหนน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในพระบารมีของพทธเจ้าเข้าถึงพระบารมีของพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเถอ ขอน้อมเอาเครื่องสักการะทั้งหล า, ายอัตภาพของข้าพเจ้าบูชาพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการถวายเครื่องส ก, การะและอัตภาพบูชาพระปัญญาคุณของพระเจ้าขอใหข้าพระเจ้ามีส่วนในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เถิดขอน้อมเครื่องส ก, การ ะ, ะ, ะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าน้อมละลึกและเคยกระทำ และกำลังทมจักธรรมตลอดถึงอัตภาพคือขัน5บูชาพระบริสุทธิ์คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงพระบริสุทธิ์คุณ ของพระมีส่วนในพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการอันควรด้วยเถือขอบูชาเครื่องสการะและอัฐภาพถวายบูชาพระมาหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบูชาถวายเครื่องสการะทั้งภายในภายนอกขอใพระเจ้ามีส่วนในพระมาหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด ให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อริยศัจสัจสีส่ได้ด้วยตนเองเป็นสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปรารถนาจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ ขอบูชาพระธรรมซึ่งมีความงามในเบื้องต้นทรามกลางและที่สุดถึงพร้อมได้อัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริย์ครบถ้วนโดยการที่ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมนอบนองพระธรรมนี้ขอให้ข้ขาพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงความงามในเบื้องต้นของพระธรรมคือศีลสมถาวิปัสนาความงามในธรรมกลางคืออริยมรรคอริยผล ความงามที่สูงสุดคือปานิพานของพระธรรมด้วยเถิดข้าพเจ้าขอนอบน้อมหมู่อริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่การตัสรู้อริยสัจ ส, สี่ด้วยการนอบน้อมบูชานี้ขอให้ข้าพเจ้าปลึกตนเองออกจากความเป็นปุถุชนที่หนานแน่นด้วยกิเลส เข้าไปอยู่ในชุมชนของอริลยสง์สาวกเป็นอริยบุคคลตามหมู่อริลยสงเหล่านั้นด้วยถืดการคิดการตั้งใจการนอบน้อมการระลึกถึงการบูชาพระคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีผลมากมีอานิสงส์มากศรัทธาของเราท่านทั้งหลายที่ไปกระทบ พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมาหากรุณาธิคุณศรัทธาเจตนาและปัญญาของเราท่านทั้งหลายที่ไปกระทบพระทานาบรมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะกันติสัจจาทิฐานเมตตาหรือเวิขาไปกระทบพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนของสัพพัญญุตยานอนาวารณญ า, านอินทรียะเปรุปริยติยาน มหากรุณาสมาปฏิย า, ยานยมกะปฏิหารียญาณอาศยานุศยญาณคำว่าสมาสมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาธสาธนารณัยน์หเป็นพยานที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปมีเฉพาะเจาะ จ, จงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเท่านั้นเราท่านทั้งหลายได้มีเจ็ดจำงมีศรัทธาและปัญญาเข้าไปกระทบคุณของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มาก ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มั่นคงในพัลตนาไตรไม่วันไหวขอมีพัตนไตรเป็นไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงปา ร, ริยสงฆ์ตลอดชีวิตจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะ เป็นที่สุดร อ, รอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบให้ตั้งอัธยาสัยอย่างนี้ไว้การระลึกนึกถึงพระคุณแล้วก็น้อมในการที่จะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เนี่ยที่เราได้ปลูกฝังอัธยาสัยฝังลึกลงสู่ห้วงหาทยัยอันลึกเนี่ยอันนี้สำคัญมาก เกิดณนะอัตภาพไหนได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ให้เราตื่นออกมาจากการหลับไหลจากาํานาจความกิเลสสามารถที่จะเข้าถึงคุณของพุทธเจ้าได้อย่างเร็วพันขอให้พระรัตนตรยัยหรือพุทธะธรรมะและสังฆะคุมกองกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากอันตรายเหล่านั้นโดยเถิดทีดด่นึกถึงในลักษณะอย่างนี้จเจริญพุทธคุณไปหนึ่ง